เรื่องเก่าๆสมัยวัยเด็กโน่นคล้ายๆว่าเหมือนกับวัวหรือควายเนี่ยพอไม่ได้มีอะไรพอไม่ได้กินหญ้าเข้าไปมันก็เจ้าสำลอกของเก่ามาเคี้ยวเอื้องอะไรก็นี่เอาเรื่องเก่ามาย้อนหลังไปสิปีบ้างยี่สิบปีบ้างสาสิบปีบ้างบางทีถอยหลังไปงแต่สมัยวัยเด็กสามสี่ขวบมันนึกขึ้นมาได้ยงไงก็ไม่รู้แต่มันเห็นภาพชัดเลย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 อยากจะเลิกปฏิบัตนะิไม่ไหวแล้วเอาไว้แก่ก่อนค่อยมาปฏิบัติดีกว่าตอนนี้ยังหนุ่มยังแน่นนะมันหลอกเลยแล้วให้เราเลิกให้เราคลายความเพียร น, นี่เป็นอาการของจิต ท, ที่ลงแดงนะพอเสร็จติดภาษาจนชินแต่อาการเ่านี่มันยังเกิดขึ้นได้ไม่นานนะมองก็พูดที่ติดยาถ้าเรามามาฝึกให้เลิกมาจากัด บ, บริเวณแม่หม่มันก็กระสับกระสาย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 จิตมีความสงบเกิดขึ้นไม่ได้หลนกระสับกระสายไปหาเรื่องคิดก็จะเริ่มรู้สึกสบายสงบอันนี้แหละแต่สงบก็ไม่ดีนะพรอสงบเราจะติดเหมือนกันติดสงบเพลินสติก็จะไม่โตหลวงพ่อเทียนก็แนะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็แนะว่าถ้ามันสงบมากนี่ต้องเขยา่าเป็นเดิน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 เอาความตื่นรู้สงบแล้วนี่กลายเป็นซึมก็มีหรือสงบแล้วก็เลยเฉยก็มีอันนี้ธรรมดาเพราะฉะนั้นในในอินรี่ห้าเนี่ยสมาธิต้องคู่กับวิรยิยะเพราะถ้าไม่มีวิริยะมากํากับสมาธิมันก็อาจจะพาไปสู่หรือคาดเคลื่อนไปสู่ความเฉยเหนื่อย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 ศรัทธาในพ่อแม่ศรัทธาในครูบาอาจารย์ก็ทำให้เรียนรู้อยู่เสมอไม่ตกขอบสมาธิก็เหมือนกันสมาธิมากไปไม่มีวิญยาณมากากับก็จะเฉยเหนื่อยเลยซึมเป็นพวกที่เรียกว่าไม่กระตือรือร้นรอะไรเกิดขี้เกียจขึ้นมาได้ซ้ำอันนี้ก็ เ, เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติธรรมจานวนไม่น้อย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 เมตตา ม, มากๆก็เกิดเป็นสินเนหาก็คือสเสนหานั่นเองยังต้องมีอุเบกขาเข้ามากากับไม่ให้มันกลายเป็นเลือกพวกว่าหลงไหลจนกระทั่งทําแลรก็ถูกไปหมดลูกขโมยของให้แม่แม่ก็หลงรักออพูดแก้ตัวให้ลูกมีเหมือนกันน่ขโมยของในวัดเนนหรือลูกชายขโมยของในวัดไปหาชาวบ้านแมน่ก็ปกป้อง ปกป้องด้วยสเนหานะนึกว่าเป็นเมตตามันเป็นเมตตาชีวิบัติจะเป็นสีเนหาไปต้องมีอุเบกขาอุเบกข า, าคือเออลูกทําผิดก็ต้องรับโทษฐานไปเราก็ต้องทําใจเป็นกลางไม่ใช่มาปกป้องจนกระทั่งลูกเสียคนอันนี้ใครเข้าใจความวิบัตนะในอินสี่ห้านี่จะมีธรรมะ ท, ที่คอยถ่วงดุลนกะันเพื่อไม่ให้อันใดหนึ่งเป็นวิบัติแต่ว่าตัวสตินี่จะไม่ไม่เป็นวิบัติ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 เรียกว่านิพพานคือรู้่ความเป็นอิสระจากความปนพลนปลวนแปลต่างๆของโลกตลยรักทําและ ไ, ไม่ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตาทำอะไรไม่ได้เพราะรู้ความจริงเสร็จแล้ว